พระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอวาสของสามพระสาว รานี้จะกล่าวทำบางข้อของพระสาวกทั้งสามนี้พระสารีบุตรเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดุกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะแสดงธรรมะจักและอริยสัจได้กว้างขวางพิศดาลแม้นพระองค์ได้ในบางคราวเมื่อมีภิกษุมาทูลลาจะเดินทางไปในต่างถิ่นก็โปรดให้เปลาท่านพระสารีบุตรดังในคราวหนึ่ง เมื่อพ ร, ระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่เมืองเทวทหักพิสุเป็นจํานวนมากได้เข้าเฝ้าทูลลาจะไปปัจฉาภูมิชนบทก็โปรดให้ไปลาพระสารีบุตรเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามที่รับสัง่งพระสารีบุตรก็ถามว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นจะไปต่างประเทศต่างถิน่นก็คงจะมีคนมีปัญญามาถามว่าครูของท่านสอนอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้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 วิญญาณถ้าเขาถามอีกว่าเห็นโทษเห็นคุณอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นก็ให้ตอบว่าเมื่อยังมีความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นครั้นสิ่งเหล่านั้นแรปรโชนเป็นอย่างอื่นก็จะเกิดความทุกมีโศเป็นต้นเมื่อละเสียได้ครั้นสิ่งเหล่านั้นแรปรโวนไปทุ ก, ก็จะไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นคุณอย่างนี้จึงสอนมาอย่างนั้น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 คือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพระ อ, อรหันต์หรือเห็นว่าพระ อ, อรหันต์มีอยู่ในขันห้านั้นท่านยาม ก, กะก็ตอบว่าไม่ใช่ทุกทุกข้อท่านพระสารีบุตรถามว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วควรจะพูดว่าพระ อ, อรหันต์ตายศูนย์หรือท่านยาม ก, กะก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีความรู้อย่างนี้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 ท่านปฏิเสธนั้นก็เพราะสมณพราหมณ์เหล่าใดที่สําเร็จชีวิตด้วยติรัชานวิชาคือว่าวิชาดูที่ทางต่างๆสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสําเร็จชีวิตด้วยติรัชานวิชาคือว่าวิชาดูดาวนักษักษามณพราหมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่าแง่หน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสําเร็จชีวิตด้วยติรัชานวิชา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 ท่านจึงเป็นผู้ที่ฉันโดยธรรมท่านมีปฏิภาณในการโต้อตอบกับผู้ที่มากราหาและท่านได้แสดงธรรมยาวๆที่พระธรรมสังคาหกกาจารร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรอีกมากเช่นสังคีตสูตระสศุตตะระสูตรซึ่งเป็นแบบฉบับของวิธีการรมสังคยาส่วนพระมุขลานะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า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 ภิกษุปร avana ตนเองคือบอกอนุญาตหรือขอให้เพื่อนสัพพรมจารีตักเตือนตนได้แต่ถ้าเป็นคนที่ว่ายากแล้วเพื่อนสัพพรมจารีก็จะไม่ว่ากล่าวเหทิ่ทำให้ว่ายากนั้นท่านยกขึ้นมาแสดงหลายข้อเช่นความโกรธความผูกโกรธความหงุดหงิดตั้งแงงอนต่างๆการกล่าววาจาที่แสดงว่ากโกรธเป็นต้นคราวนี้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 เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชเกิดนั้นได้มีมหาสันนิบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกครั้หนึ่งเรียกว่าจารุงขสันนิบาตแปลว่าความประชุมประกอบด้วยองคศีไมอัตตกถาทีคณสูได้แสดงไว้ว่าองคศีนั้นคือพระสาวกที่มาประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตนั้นหนึ่ง ได้มาประชุมกันในวันอุโบสถคาณาปุญณมีคือวันเพ็ญเดือนมาคะโดยปกติก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนสาถ้าปีมีอธิกมาธก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนสี่ตามแบบไทยเราสองภิกษุจํานวนหนึ่งสองรหิรูปซึ่งมาประชุมกันนั้นมิได้มีการนิมนต์นัดหมายมาประชุมเองสล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาณหกและ 4. ล้วนเป็นเอหิพิกุคือเป็นภิกษุที่ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาอวชิระญาณวรรธได้ทรงจัดไว้ในพระพุทธประวัติเล่มสองว่าดังนี้ 1. ภิกษุที่มาประชุมมันล้วนเป็นพระอรหันต์ 2. ล้วนเป็นเอหิภิกุ 3. ล้วนไม่ได้นับหมายและสี่ พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกมหาสันนิบาตนี้ได้มีนเวรวนในวันมาคุณนมีในอัตถกถาแห่งพระสูตรดังกล่าวได้กล่าวว่ามหาสันนิบาตนั้นได้มีในวันที่พระสารีบตุรบตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่ปริพาชกชื่อทีกนขะ พระสารีบุตรได้นั่งถวายงานพับฟังอยู่ด้วยเมื่อทรงแสดงธรรมจบแล้วพระสารีบุตรก็มีจิตพ้นจากอาสวะในขณะนั้นเวลายังเป็นกลางวันอยู่พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากเขาคิจกูและเสด็จมาสู่พระเวรวรรณก็ทรงแสดงพระโอวาทในมหาสังนิบาตดังกล่าวนั้นในวันมาทะปุณมีตามคําของท่านจึงแสดงว่าท่านพระสารีบุตร ได้เป็นผู้เสร็จกิจในวันมาฆาปุณณมีนั้นคือในวันมาฆาปุณณมีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมทท่านยังได้แสดงระยะเวลาไว้ว่าในพรรษาแรกพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะมะรุกทายวันแกว้งมืองพารณสีครั้นออกพรรษาแล้วได้เสด็จไปโปรดพวกปูราณัชตินในชั้นแรก ได้ทรงทรมานอุรุเวละกะสปะอยู่เป็นเวลาสองเดือนคือจนถึงวันปุตสาปุลณีที่ตรงกับวันเพนเดือนอาอุรุเวละกะสปะจึงได้ยินยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าและต่อมาก็ได้โปรดกะสปะอีกสองท่านจนถึงทรงสแสดงอธิเตยปริยายสูตรแล้วจึงเสด็จจากตําบล น, นั้นมาสู่กรุงราชพฤฒ ทรงได้พระอัครสาวกแล้วจนถึงกลางเดือนสามที่เรียกว่าวันมาฆาปุณณมีก็ได้มีสาวกสันนิบาต ท, ที่เรียกว่าวันจารุรงขสันนิบาตดังกล่าวแต่คําที่ท่านกล่าวไว้นี้ขัดกันกับข้อความบางแห่งที่แสดงไว้ในหลักฐานชั้นบาลีคือในหลักฐานชั้นบาลีว่าในระหว่างฤดูหนาวแปวันระหว่างเดือนมาฆะโดยปกติตรงกับเดือนสาม และเดินผักคุณะโดยปกติตรงกับเดือนสี่พระพุทธเจ้าได้ทรงทรมาอุรุเวกัสปะอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามหลักฐานนี้วันกลางเดือนมาฆะคือวันมาฆะปุณธมีนั้นพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาฉะนั้นถ้าหลักฐานแสดงไว้ในบาลีนี้ถูกหลักฐานในอัตถกะถาก็ผิดวันมหาสันติบาสนั้นก็น่าจะต้องเลื่อนไปมีในมื้อออกพัรษาที่สองแล้ว อย่างไรก็ตามหลักฐานทั้งปวงก็ยืนยันว่าได้มีมหาสันนิบาตของพระสาวกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์สี่อันเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตดังกล่าวแล้วในวันมาคปุณมีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกในมหาสันนิบาตนั้นโอวาทปาติโมกหัวใจพระพุทธศาสนา พระโอวาทนี้ประมวลพระพุทธวาทะประมวลพระพุทธศาสนาด้วยข้อความเพียงสามคาถากึ่งฉะนั้นพระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่าแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่ท่านพระธรรมสังฆาหาการจารย์ได้รวบรวมไว้ว่าดังนี้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความทนเป็นบรุมตบะ นิพพานังปรมังวัฒนติพุท ธ, ธาพระพุทธะคือพระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งนหิปปพชิโตป ร, รูประคาตีสำมโนโอติปรังวิเหทะยันโตบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมนะนี้เป็นพระคถาแรก พระกถานี้แสดงพระพุทธวาทคือวาทของพระพุทธที่แปลว่าพระผู้รู้ไว้สาข้อหนึ่งันติความทนทานเป็นบรรมตบสองนิพพานเป็นบรมธรรมสบรบัณชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะมีข้อที่ควรทำความเข้าใจคือในพระกถานี้ใช้คำ พุทธะเป็นพระหูวจนะคือแปลว่าพระพุทธทั้งหลายซึ่งหมายความว่ามีมากในที่อื่นได้แสดงพระพุทธคือผู้รู้ไว้เป็นสามจำพวกคือหนึ่งพระสัพพัญยูพุทธะพระพุทธผู้รู้ทั้งหมดหรือพระสัมมาสัมพุทธะพระพุทธะผู้รู้เองชอบหมายถึงขั้นที่ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไปด้วย จนถึงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งพุทธบริษัทขึ้น 2. พระปัจเจกพุทธะพระผู้รู้เฉพาะองค์คือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ว่ารู้เฉพาะตนเท่านั้นไม่สอนให้ผู้อื่นรู้พระพุทธะจังพวกนี้ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้นเป็นผู้รู้เฉพาะตน 3. พระอนุ พ, พ, พุทธะคือพระผู้รู้ตาม หมายถึงเป็นพระสาวกพุท ธ, ธะคือเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นสิทธิของพระพุท ธ, ธะจำพวกที่หนึ่งได้แก่พระอรหันต์ตกสาวกทั้งหลายพระพุท ธ, ธะมีสามจำพวกดังกล่าวมาและก็ล้วนมีวาทะคือถ้อยคำตรงกันดังที่กล่าวมานั้นพระพุทธวาทะข้อที่หนึ่งขันติคือความทนทานเป็นมรรมาตบขันตินั้นแปลกันว่าความอดทน จำได้ออกไปโดยในหนึ่งเป็นสองคืออธิวาสนะขันติและตีติขาขันติโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสั ง, งวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป